การทำที่พึ่งด้วยธรรมผู้มีปัญญาควรทำที่พึ่งที่น้ําคือกิเลสทั่วไม่ได้ด้วยธรรมคือความหมั่นขยันความไม่ประมาทความสํารวมและความฝึกอินทรีย์อธิบายกว่าเกาะหรือที่พึ่งอันเกษมในที่นี้ท่านหมายเอาพระอรหันตผลเป็นที่พึ่งทำนักอันปลอดภัยในสาพรคือสังสาระอันเลกิ่งนี้เกาะนี้อันน้ําคือกิเลสทั่วไม่ได้กิเลสอันเป็นดุจ ่วงน้ำท่านเรียกว่าโอคะมีสี่คือหนึ่งกามความใข่ในกรรมคุณห้าพบความพอใจในพบในความเป็นนั่นเป็นนี่สทิฏฐิความเห็นผิด 4. ี่วิชาความไม่รู้อริยสัจสท่านสอนให้สร้างเกาะด้วยทำสี่ประการเหมือนกันคือความเพียรอุธานะความไม่ประมาทอัพมาทะความสัมภูมิกายวาจาใจสัญญะ และการฝึกอินทรีย์คือระวังตาหูเป็นต้นมีให้ยินดี ย, ยินร้ายเพราะได้เห็นรูปฟังเสียงเป็นต้นคือธรรมะเรื่องพระจุลปันทุกพระจุลปันทุกเป็นชาวเมืองราชเกลืมีพี่น้องด้วยกันสองคนพี่ชาชื่อมหาปันทุกที่ชื่อปันทุกเพราะเกิดในระหว่างทางความจริงมารดาของพระจุลปันทุกเป็นถึงลูกสาวของเศรษฐีเมืองราชเกลือแต่ไปได้เสียกับคนชายของตน จึงละอายไม่กล้าอยู่ที่เดิมชวนกันหนีไปอยู่ที่แห่งหนึ่งซึ่งเชื่อว่าไม่มีใครรู้จักตนตั้งคันที่นั่นเมื่อคันแก่ทิดาเศรษฐีบอกสามีว่าต้องการไปคลอดที่บ้านเดิมทำไมจะต้องไปคลอดที่นั่นสามีถามที่นี่มีญาติอยู่เลยการคลอดบุตรในสถานที่ที่ไม่มีญาติช่วยเหลือเป็นความลําบากพัญญาตอบแต่ที่บ้านไม่มีใครต้องการเราคุณก็ทราบนีใช่หรือสามีออกความเห็นฉันกลัวจะถูกไล่กลับมา ในเวลาลูกลำบากใจของพ่อแม่ย่อมอ่อนโยนต้องการช่วยเหลืออยู่เสมอท่านคงไม่ถึงกับข้าเราดอกละมังถ้าคุณไม่ไปฉันก็จะไปคนเดียวฝ่ายสามีผัดวันประกันพรุ่งอยู่เรื่อยมาจนพันยาไม่อาจคอยได้อีกต่อไปเพราะใกล้กำหนดคลอดข้ามาเต็มทีวันหนึ่งเมื่อสามีออกไปธุระนอกบ้านนายจึงสั่งเพื่อนบ้านใกล้เคียงไว้ให้ช่วยดูแลบ้านและ บ, ละบอกสามีว่านางได้กลับไปบ้านเดิม สามีกลับมารีบตามไปไปพบนางในขบวนทางขณะ น, นั้นปัญญาของเขาคลอดแล้วเขาดีใจที่ได้บุตรชายปรึกษากันว่าที่เดินทางกลับบ้านเดิมเพื่อสิ่งใดสิ่งนั้นได้สำเร็จแล้วเห็นจะไม่ต้องไปอีกจึงชวนกันกลับต่อมานางตั้งคันท้องที่สองและคงคลอดในทนองเดียวกับท้องแรกจึงตั้งชื่อลูกคนแรกว่ามหาปันทกลูกคนที่สองว่าจุลปันถก เมื่อหลุกทั้งสองเติบโตขึ้นได้ยินเด็กๆด้วยการเรียกคนนั้นว่าตาคนนี้ว่าลุงแต่ตาและลุงของตอนไม่มีจึงถามแม่แม่บอกว่าตระกูลของตาอยู่ในเมืองราชฤกษ์เป็นเศรษฐีมหาปันโตกจึงรบเร้าให้แม่พาไปหาตาและแม่และยายเมื่อพญญานำเรื่องนี้ปรึกษาสามีเขาคงไม่กล้าไปอย่างเดิมั ญ, ญาบอกว่าพ่อแม่ของนางคงไม่โหดร้ายถึงกับกินเลือดกินเนื้อเป็นแน่นอน ฝ่ายสามีบอกว่าให้พาเด็กทั้งสองไปได้แต่จะให้เข้าหน้าพ่อตาแม่ยายนั้นไม่เอานี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาพราฐานะเดิมของเขาเป็นเพียงคนรับใช้และคนรับใช้อินเดียนั้นกลัวนายมากเพราะตนอยู่ในวรรณะต่ำสองสามีพัญญาตกลงใจพาลูกทั้งสองไปหามารดาพิดาไปพักอยู่ที่ศาลาหน้าเมืองก่อนบอกเรือนและถนนให้เด็กเข้าไปหาคุณตาคุณยายส่วนตน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 จนมหาปันถกมีจิตใจอ่อนโยนน้อมไปในการบวชจึงขออนุญาตเศรษฐีผู้เป็นตาผู้เป็นตาบอกว่าการบวชของหลานจะเป็นความสุขของตามากกว่าการบวชของคนทั่วโลกถ้าคิดบวชอยู่ได้ก็จงบวชเถิดมหาปันถกบวชได้พระเถระพูดถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดรูปหนึ่งเป็นอุปชาไม่นานพระมหาปันถกก็ได้บรรลุพระอรหาตัตผล เมื่อท่านได้รับความสุขอันสูงสุดเท่าที่มนุษย์จะพึงได้แล้วท่านก็ระลึกถึงน้องชายอยากได้รับความสุขเช่นนั้นบ้างจึงไปขออนุญาตคุณตาขอให้น้องชายจุลปันทุกได้บทด้วยเศรษฐีอนุญาตดีๆจริงอยู่แม้เศรษฐีจะนับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็ตามแต่เมื่อคนถามถึงแม่ของหลานว่าคือใครเศรษฐีต้องตอบว่าเป็นบุตรีที่หนีไปดังนี้ก็ให้รู้สึกระอายอยู่บ้าง เมื่อพระมหาปันทกมาปราลบยากให้น้องชายบวชท่านเศรษฐีจึงอนุญาตอย่างง่ายดายเมื่อจุลปันถกบวชแล้วพี่ชายก็ให้ศึกษาเรื่องศีลสมาธิและปัญญาให้ศึกษาบางอย่างอันควรศึกษาแต่ปรากฏว่าพระจุลปันถกโง่เขาลาเหลือเกินแม้ข้อความเพียงเท่านี้ดอกมัวโกโกนุตมีกลิ่นหอมบานแต่เช้ากลิ่นย่อมหอมกลุ่นอยู่เสมอฉันใดเธอจงมองดูพระอังคีรศัตดิ์คือพระพุทธเจ้า ผู้รุ่งโรดอยู่หุดพระอาทิตย์ส่องแสงในกลางหาวชั้นนั้นพระจุลปันถกท่องอยู่สี่เดือนก็จำไม่ได้เรียกว่างโง่อย่างขนาดหนักแต่เมื่อพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนถูกทางก็สามารถสําเร็จมรรคผลได้เหมือนกันท่านกล่าวว่าเหตุที่พระจุลปันถกโง่ น, นั้นเพราะกรรมเก่าคือในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปท่านบวชในศาสนานั้นเป็นผู้มีปัญญาดี ภิกษุอีกรูปหนึ่งเป็นคนเขาท่องปริยัติธรรมอยู่พระจุลปันถกเครา ะ, ะเยาะภิกษุนั้นเกิดความละอายจนเลิกเรียนไปเพราะวิบากขหงกรรมนั้นจึงทำให้พระจุลปันถกเป็นผู้เขาในการบัก น, นี้พระมาหาปันโกเห็นว่าน้องของตนเป็นผู้อาภัพในาศาสนาจึงบอกให้ศึกไปธมาหากินทำบุญกุศลไปตามสามารถขอความเพียงคาถาเดียวท่องบนอยู่ถึงสี่เดือนยังจาไม่ได้ จะทํากิจของบรรพกิตให้ถึงที่สุดได้อย่างไรฝ่ายพระจุลปันถกผู้น้องไม่ปราถนาศึกยังมีความอะไรในพรหมจรรย์อยู่เมื่อถูกพระพี่ชายไล่ออกจากที่อยู่ให้ไปเสือกเสียใจยอยู่ไม่น้อยเวลานั้นพระมหาปันถกเป็นเจ้าหน้าที่พระตุเทศตามตัวอักษรแปลว่าพูดแสดงพัดคืออาหารถือกว่างว่าเป็นเจ้าหน้าที่รับนิมนต์และแจกจ่ายภิกษุไปตามที่นิมนต์ต่างๆใครจะนิมนต์พระไปฉันที่บ้านของตน ต้องไปติดต่อกับพระตุเทพตำแหน่งนี้ได้รับแต่งตั้งจากสงฆ์วันนั้นหมอชีวกกุมรารพัฒ์เจ้าของอัมพวันไปเข้าเฝ้าพระศาสดาที่อัมพะวนารามนั่นเองฟังพระธรรมเทศนาแล้วต้องการนิมนต์พระระชันที่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้นจึงไปหาพระหมหาปันถตกถามจำนวนภิกษุในอัมพวันว่ามีเท่าใดมีห้าร้อยรูปเจริญพรพระหมหาปันตกตอบ กระผมนิมนต์ฉันที่บ้านทั้งหมดพรุ่งนี้รวมทั้งพระพุทธเจ้าด้วยหมอชีวกพูดแต่มีภิกษุโง่รูปหนึ่งในโยมมันจเจริญงอกงามในธรรมวินยัยอาตมาเว้นภิกษุรูปนี้เสียรูปหนึ่งนอกนั้นรับนิมนต์ให้ได้พระจุลปันถกได้ยินดังนั้นเสียใจมากปรงใจว่าผี่ชายไม่ได้มีเยอยายในตนเลยรับนิมนต์ให้ภิกษุอื่นถึง4ี่รอยเก้าสิบเ้ารูปเว้นตนเสียจะอยู่ไปทําไมในศาสนานี้จักเป็นเครื่อหัก ทำบุญให้ฐานไปตามามสามารถวันรุ่งขึ้นพระจุลปันถกออกจากวัดแต่เช้าตรู่เพื่อจะไปศึกและวันนั้นพระาศาสดาผู้โลกนาคทรงตรวจดูบุคคลที่ควรจะเสด็จไปโปรดได้ทรงเห็นพระจุลปันถกเข้าไปในค่ายพระยามจึงเสด็จไปดักอยู่ที่หน้าวัดแต่เช้าตรู่พระจุลปันถกเดินมาพบพระาศาสดาจึงเข้าไปถวายบังคมจะไปไหนจุลปันถกตรัส ถ, ถามด้วยพระกระแสเสียงอนุ่มนวล เจือด้วยพระเมตตาการุณาจะไปสึกพระเจ้าข่าพี่ชายเขาไล่ไม่ยอมให้อยู่จุลปันทกเธอบวชในส น, นักของเราบวชอุทิศเราเมื่อถูกพี่ชายขับไล่ฉะไหนจึงไม่มาสู่ส น, นักของเราเล่าอย่าสึกเลยจุลปันทกมาเถิดมาอยู่กับเราตรัส ด, ดังนั้นแล้วทรงเอาพระหัตถ์ลูบศีรษะพระจุลปันทกด้วยพระไทัยกรุณาอย่างความปลาปลื้มให้เกิดแก่พระจุลปันทกเป็นล้นพ้แล้วนําไปสู่ส น, นักของพระองค์ ให้จุลปันทกนั่งที่นาบมุกพระคันธกุฎีส่งพิจารณาว่าจุลปันทกนี้มีบารมีมาทางใดหนาะสงทราบด้วยประยานโดยตลอดแล้วจึงประทานผ้าเช็ดหน้าสีขาวให้ผืนหนึ่งพร้อมรับสั่งว่าจุลปันทกเธอนั่งผินหน้าไปทางที่ตะ ว, วันออกนะลูกผ้าผืนนี้พลางบริกรรมคือนึกในใจหรือออกเสียงเบาๆว่าละโชหารานังละโชหารานัง ซึ่งแปลกว่างว่าผ้าเชตุลีดังนี้แล้วได้เวลามีผู้มาทูลอาราธนาเสด็จไปบ้านหมอชีวกฝ่ายพระจุลปันธกนั่งมองดูดวงอาทิตย์มือลูบผ้าพลางบริกรรมว่าละโชฮรณนังละโชฮรนังเมื่อมองดูผ้าบ่อยๆด้เห็นผ้านั้นเศร้าหมองไปท่านจึงคิดว่าผ้านี้สะอาดแท้ๆแต่แต่อยอัตภาพนี้มันจึงเศร้ามองไป สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอดังนี้แล้วเริ่มมองเห็นความสิ้นและความเสริมแห่งสังขารทั้งปวงจเจริญวิปัสนาอยู่พระศัสดาประทับนั่งอยู่ที่บ้านหมอชีวกส่งพระยานตามกระแสจิตของพระจุลปันทุกทรงทราบว่าบันนี้จิตของพระจุลปันทุกขึ้นสู่วิปัสนาแล้วจึงตรัสว่าจุลปันทุกเธออย่าคิดแต่เพียงว่าท่อนผ้านี้เท่านั้นเศร่ามองเปลื่นทุรีแต่เธอจงคิดถึงทุรีภายในด้วย นั่นคือราคะโทสะและโมหะอันอยู่ภายในเธอจงนํำอธุลีนั่นออกเสียพระศาสดาทรงเปล่งพระรัศมีมิพระะระศมมีาปรากฏประหนึ่งประทับอยู่เฉพาะหน้าของพระจุลบันทกแล้วตรัสอีกว่าราคาโทสะและโมหะเราเรียกว่าทุลีฝนละองหาใช่ทุลีไหมคําว่าทุลีเป็นคําเรียกราคะโทสะและโมหะภิกษุละทุลีมีราคะเป็นต้นอยูแล้ว ย่อมอยู่เป็นสุขในศาสนาของพระ พ, พุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีในการจบพระดํารัตพระจุลปันถกได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายพระจุลปันถกมีอุปนิสัยมาทางผ้าเปื้อนทุลีพระาศาสดาได้ประทานอุปกรณ์อันเหมาะสมแก่อุปนิสัยของท่านจึงสำเร็จได้เร็วเรื่องของท่านเป็นดังนี้ในอดีตท่านเคยเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่งวันหนึ่ง ทรงทมประทักษิณพระนครเมื่อพระเศโทไหลาจากพระนราธทรงเอาผ้าสะอาดเช็ดพระเศธโทนั้นทรงได้อณิจจสัญญาว่าผ้าสะอาดอย่างนี้เศ้ามองแล้วพระอาศัยสรีระนี้สังขารทั้งหลายไม่ทิ้งหนออณิจจสัญญาได้ฝังเป็นอุปนิสัยของท่านตั้งแต่นั้นมาผ้าเช็ดทุลีจึงเป็นปัจจัยแห่งอุปนิสัยของท่านพระาศาสดาทรงทราบเรื่องนี้ดีหมอชีวก ได้น้อม น, นําน้ําทักซิโนโทกเข้าไปถวายพระศาสดาแต่พระองค์ไม่ทรงรับตรัสถามว่าชีวกภิกษุนในอารามยังมีอีกมิใช่หรือพระมหาพันถกทูลว่าในอัมพรวันไม่มีพิกษุ์อยู่เลยมิใช่หรือพระเจ้าขา่าแต่พระศัสดาตรัสยืนยันกับหมอชีวกว่ามีอยู่หมอชีวกให้คนไปดูขณะเดียวกันนั้นพระจุลปันทกทราบเรื่องนั้นโดยตลอดด้วยเจโตปริยญาณและทิประกศุ จึงเนรมิตรตนเป็นภิกษุถึงพันรูปเต็มอัมพวันบางพวกสักกีวรย่อมจีวรบางพวกกาลังสาธยาพระธรรมเป็นต้นคนของหมอชีวกกลับมาบอกนายว่าในอัมพวันมีพระเป็นไปหมดพระศาสดาตรัสว่าให้ไปถามหาพระจุลปันทกเมื่อบุรุษนั้นไปถามทุกรูปบอกว่าชื่อจุลปันทกพระศาสดารับสั่งให้เขากลับไปอีกครั้งหนึ่งตรัส บ, บอกว่ารูปใดเอ่ยขึ้นก่อนจงจับมือรูปนั้นไว้ พระอื่นๆจะหายไปเขาไปทําตามนั้นจึงได้พระจุลปันทกมาพระศาสดาให้หมอชีวกรับบายของพระจุลปันทกเป็นเชิงให้พระจุลปันทกบอนุโมทนาพระเถระบรลลือศรีหนาะตคือดุดดังสีหรุ่นขนองเขย่าพระตาบีโดกให้ไหวแล้วด้วยปัญญาอันมาพร้อมด้วยกับอริยมรรคพระศาสดาเสด็จลุกจากอาสนะมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมถึงพระคณกุฎี ทรงยืนที่หน้ามุกพระคันทกุดีประธานพระสุขโตวาสพอสมควรแล้วเสด็จเข้าภายในพระคันทกุดีบรรทมด้วยสีห์สายยาการเย็นวันนั้นภิกษุนั่งสนทนากันในธรรมสภาเรื่องพระจุลปันถกที่สามารถสําเร็จมรรคผลได้ด้วยการช่วยเหลือของพระศาสดาและว่าพระพุทธองค์ทรงเป็นพระธรรมราชาผู้ยอดเยี่ยมไม่มีใครเสมอเหมือนทรงเป็นที่พึ่งของ พระจุลปันถกโดยแท้น่าอัศจรย์ในพระกําลังของพระเจ้าส่วนพระมหาปันถกไม่รู้อุปนิสัยของน้องชายจึงไม่อาจให้เรียนรู้สิ่งใดไ ด, ได้พระศาสดาทรงเป็นที่พึ่งของพระจุลปันฑกอย่างยอดเยี่ยมพระศาสดาทรงทราบเรื่องทีพิสูจน์ทาลายสนทนากันด้วยที่ประจักษ์สุแล้วทรงดําริว่าเราควรไปยังธรรมสภาดังนี้แล้วสเสด็จลูกจากพุท ธ, ธาสายยา เสด็จไปยังธรรมสภาด้วยพุทธลีลาอัน ง, งามยิ่งสเสด็จขึ้นสู่พุทธอาฏอันตรีไว้แล้วทรงเปล่ง พ, พระรัศมีขกสีออกอ่อนๆประเด็นุสุริโยไยเริ่มทอแสงเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาถึงภิกษุทั้งหลายหยุดสนทนานั่งนิ่งเงียบพระสุโคตเจ้าทรงมองดูภิกษุบริษัทด้วยพระฮาทุไทอันอ่อนโยนทรงรำพึงว่าบริษัทนี้งามยิ่งนัก การขนองมือขนองเท้าหรือเสียงไอเสียงจามของภิกษุสักรูปหนึ่งไม่ได้มีเธอทั้งหลายมีความเคารพในพระพุทธเจ้าอย่างสูงยิ่งหากเราไม่พูดขึ้นก่อนจกไม่มีใครพูดเลยแม้จะนั่งอยู่ชั่วอายุก็าตามดัง น, นี้แล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่ากําลังพูดกันในเรื่องใดเมื่อทรงทราบแล้วยิงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจุลปันถกจะเป็นผู้โง่เขลาในบนัดนี้เท่านั้นก็หามไม่แม้ในการก่อนก็เคยโง่เขลามาแล้ว อันหนึ่งเราเป็นที่พึ่งของเธอในเฉพาะในบักนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในการก่อนก็เคยเป็นที่พึ่งของเธอมาแล้วเหมือนกันต่างกันแต่เพียงว่าในการก่อนเราทำให้เขาได้โลกิยาซั์แต่บักนี้ให้ได้โลกุตระซั์พระศาสดาท ร, ทรงนาเรื่องอดีตของพระจุลพันธ์กมาดังนี้ในอดีตการมานุคนหนึ่งชาวเมืองพรารณสีไปศึกษาศิลปศาสตร์ในเมืองตากศิลาเป็นคนดีมาก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 อาจารย์รักศิษย์คนนั้นมากอยากจะให้เขาได้อะไรเป็นสักอย่างหนึ่งจึงผูกมลขึ้นบทหนึ่งพาเขาไปในป่าแล้วให้เรียนมนบทนั้นท่านผู้อ่านต่อไปจะเห็นว่าอาจารย์ผู้นี้ต้องมียานรู้อนาคตมิฉะนั้นจะมอบคาถาแบบนี้ให้ไม่ได้เมื่อมานพระบวาจําได้แล้วจึงอนุญาตให้กลับบ้านพร้อมสั่งว่าเมื่อว่างและนึกขึ้นได้เมื่อไรก็จงท่องมนบทนั้นเสมอๆ ม, มานพ รับคําของอาจารย์ด้วยเคารพแล้วเดินทางกลับมารดาบิดาต้อนรับเขาอย่างดีด้วยหวังว่าบุตรศึกษาสําเร็จกลับมาครั้งนั้นพระเจ้ากรุงพระนศีทรงดํำริว่าจากสอบสวนความคิดเห็นของราษฎรที่มีต่อเราและจากดูทุกสุขของราษฎรอย่างใกล้ชิดดังนี้แล้วทรงปลอมพระองค์เสด็จไปแต่พระองค์เดียวในเวลาค่ำคืนคืนหนึ่งทอดพระเนตรเห็นพวกโจรกําลังจะเข้ารักของในบ้านหนึ่ง จึงทรงแอบซุ่มสังเกตอยู่เมื่อโจรเข้าบ้านได้กำลังสำรวจสิ่งของอยู่มานกกลุ่มเจ้าของบ้านได้สาทะยายนมนขึ้นว่าคาเตสิคาเตสิกิงการนาคาเตสิอหังปิตังจานามิจานามิาามหมายความว่ า, วาเจ้าพยายามไปเถิดพยายามไปเถิดเจ้าพยายามเพื่ออะไรเรารู้เรารู้ความพยายามของเจ้าโจรได้ยินดังนั้นพากันวิ่งหนีผ้พาผอนหลุดลุย่ย วันล่วขึ้นพระราชารับสั่งให้ราชบุตรมาเชิญมนบหนุ่มนั้นเข้าเฝ้าเธอเรียนสาเร็จมาจากจากกศิลาหรือพยาค่ะเรียนอะไรเรียนมนมาบทเดียวพยาค่ะบอกเราบ้างไม่ได้หรือได้พยาค่ะแต่ต้องประทับบนอาสนะที่เสมอกันขณะทรงเรียนได้เป็นไรไปพระราชาทรงยืนยันเมื่อพระราชาเรียนมนบทนั้นจบแล้วได้พระราชาทานทรัพย์พันหนึ่งให้แก่เขา เสนาบดีของพระราชาคนหนึ่งคิดทรยศเข้าหาช่างคาราบกขอให้ช่างคาราบกคือช่างตัดผมตัดพระศอพระราชาขณะโรงพระมะสุเมื่อตนได้เป็นพระราชาแล้วจะให้ตำแหน่งเสนาบดีแก่ช่างคาราบกช่างคาราบกตกลงวันหนึ่งขณะกำลังโปรงธรรมะสุเขาสบัดมีดโคนรู้สึกมีดคมร้อยไปหน่อยหนึ่งกําหนดว่าจะตัดฉับเดียวให้ขาดเลยจึงไปยืนสบัดมีดโคลนอยู่เพื่อให้คมเต็มที่ พระราชาทรงระ ล, ลึกถึงมนที่เรียนมาจากมานพได้จึงสาทะใหญขึ้นคเตสิคเตสิกิงการนาคเตสิอหังปีตังชานามิญานามิช่างกระบอกได้ยินดังนั้นเข้าใจว่าพระราชาทรงสราบความพยายมของตนจึงตกใจตัวสั่นเหงื่อโสมหน้าทิ้งมีดโกนแล้วหมอบลงแทบพระบาทของพระราชาธรรมดาพระราชาย่อมเป็นผู้ฉลาดทรงเห็นเหตุการณ์ดังนั้นทรงอนุมานว่า ก็มีการคิดร้ายขึ้นอย่างแน่นอนจึงทรงตวาดว่าเฮ้ยไอช่างคาระบกุกมึงเข้าใจว่ากูไม่รู้ถึงความพยายามของมึงหรือช่างคาระบกุกรับสารภาพหมดทุกอย่างพระราชาทรงอนุสร์ถึงมานพหนุ่มผู้เป็นอาจารย์บอกมนว่าทรงรอดชีวิตครั้งนี้ได้เพราะมนบทนั้นบทเดียวทรงในประเทศเสนาบดีแล้วพระราชาทานตําแหน่งเสนาบดีให้แก่มานพหนุ่มเจ้าของมนว์พระศาสดาทรงนาเรื่องนี้มาแล้วตรัสว่ามานพหนุ่ม น, นั้น คือจุลปันถกอาจารย์ที่สาปาโมกคือพระองค์เองนอกจากนี้ยังได้ทรงนำเรื่องอดีตของพระจุลปันถกสมัยเป็นคนรับใช้ของจุลกะเศรษฐีซึ่งสามารถตั้งตัวได้ด้วยการขายหนูตายเพียงตัวเดียวเป็นต้นทุนจนเป็นเศรษฐีมาให้ภิกษุทั้งหลายฟังอีกแล้วสรุปว่าคนมีปัญญาย่อมตั้งตนได้ด้วยทุนทรัพย์แม้เพียงเล็กน้อยเหมือนคนก่อไฟกองน้อยให้ลุกเป็นกองใหญ่ฉะนั้น เมื่อทรงปรารบถึงโลกุตรสมบัติอันพระจุลปันถกได้อันชื่อว่าได้ที่พึงอันกเกษมคือพระราหัตผลพระศา ส, สดาจึงตรัสพระพุทธภาษิตว่าท้าเนนะปะประมาเดนะเป็นต้นดังที่กล่าวแล้วแต่เบื้องต้น